ขอจเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรอยสัตว์อุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบสากรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 4เป็นวันพระวันธรรมวัวนะเป็นวันฟังธรรม เป็นวันที่สาธุชนพุทธบรยสัทสองยุคสองสมัยได้มาร่วมทากิจกรรมวันพระพร้อมๆกันคือมีคนยุคเก่าและคนยุคใหม่คนยุคเก่านี่ก็หมายถึงคนที่มาวัดตามวันขึ้นแรงเช่นวันขึ้นแปดข้ามแรงแปดข้า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้เป็นวันธรรมวัวนะเป็นวันพระส่วนคนยุคใหม่นี้เป็นคนที่ไม่สามารถมาวันพระตามวันขึ้นแรงได้เนื่องจากต้องทํางานทําการจะมาได้ก็เฉพาะวันหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์พอดีวันนี้เป็นวันเสาร์ คนยุคใหม่ก็จะถือเป็นวันพระและพอดีวันนี้ก็เป็นวันแรง8คดข้าคนยุคเก่าก็ถือว่าเป็นวันพระจึงมีญาติโยมมาวัดในวันนี้มากกว่าปกติแต่จะเป็นวันไหนก็ตามวันพระความหมายที่แท้จริงก็คือการทำตนเองให้เป็นพระหรือเป็นผู้ประเสริฐ เพราะคำว่าพระนี้แปลว่าผู้ประเสริฐการประเสริฐนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องโกนศีสษนนุ่งเหลืองหรือนุ่ขงขาวผมขาวการประเสริฐนี้อยู่ที่การการกระทำา3ประการด้วยกันคือ 1. ทําทำบุญ 2. ละบาป 3. ชํชำระใจให้สะอาดบริสุทธ ชำระความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางและให้หมดสิ้นไปจากใจการกระทำทั้งสามประการนี้จะทำให้ผู้กระทำไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคารวะยึนนักบวชเป็นพระขึ้นมาเพราะพระนี้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่เครื่องนุ่งห่ม ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันพระไว้เพื่อญาติโยมจะได้มาทําใจของตนให้เป็นพระให้เป็นผู่้เสริยเป็นพระอริยะก็เป็นไดน้ในสมัยพระพุทธกาลนี้มีพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นโสดาบันไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์เป็น มีทั้งเป็นคราวาสและมีทั้งเป็นนักบวชไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กและมีทั้งผู้ใหญ่เพราะการเป็นพระนี้ไม่ได้ขึ้นกับเพศกับวัยแต่ขึ้นกับการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจเท่านั้นดังนั้นขอให้ญาติโยม จงพยายามทำใจของตนให้เป็นพระด้วยการทำบุญละบาชชำระกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปแล้วจะเป็นพระขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปบวชเป็นพระภิกษุหรือเป็นพระภิกษุณีนี่คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทได้ทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนทำตนให้เป็นที่พึ่งของผู้อืน่นด้วยการปฏิบัติด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติและเมื่อได้บรรลุทำขั้นต่างๆก็ให้เอานํำทำขั้นต่างๆนั้น ไปเผยแพร่สั่งสอนต่อผู้อื่นต่อไปแต่ถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นใดเลยก็ไม่ควรที่จะไปเผยแพ่สั่งสอนแก่ผู้อื่นเพราะจะเป็นโทษทั้งกับตนเองและแก่ผู้อื่นเป็นโทษกับตนเองก็คือจะไม่ปฏิบัติภารกิจของตนมัวแต่ไปสั่งสอนผู้อื่น คุณธรรมที่ตนเองคิดว่ามีอยู่ก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปแล้วในที่สุดก็จะหายไปหมดพอคุณธรรมหายไปแล้วความสงบสุขที่มีอยู่ภายในใจก็จะหายไปด้วยเหลือแต่ความรุ่มร้อนจิตใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราสอนตนก่อนสอนผู้อื่น ทรงสอนให้ศึกษาก่อนให้ปฏิบัติก่อนให้บรรลุมรรคผลนิพพานก่อนแล้วค่อยไปสอนผู้อื่นถ้ายังไม่ได้บรรลุถึงพันนิพพานก็ไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับการสั่งสอนผู้อื่นขอให้ทุมเทเวลาของตนให้กับการปฏิบัติของตนเองก่อนเถอ เพราะว่าเมื่อได้บรรลุถึงขั้นพระนิพพานแล้วจะสอนไปมากน้อยเพียงไรก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะธรรมที่มีอยู่ในใจนั้นจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปความสุขความสงบที่มีอยู่ในใจก็จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปต่างกับธรรมที่ได้ที่เป็นขั้นโลกียะธรรม เช่นขั้นสมาธินั่งสมาธิแล้วปรากฏไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เป็นธรรมที่เสื่อมได้ถ้าไม่ปฏิบัติแล้กก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ที่ไม่ระมัดระวังเพราะจะเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาได้ทำให้เกิดความอยากอวดตน อยากอวดผู้อื่นให้รู้ว่าตนเป็นผู้วิเศษมีอะไรภายในใจก็ไม่สามารถที่จะปิดปากเอาไว้ได้เพราะกิเลสตัณหาที่อยากจะอวดที่อยากจะโชว์ให้ผู้อื่นรู้ว่าตนนั้นมีมีฤทธิ์มีเดชมีความสามารถในการที่จะ เห็นสิ่งต่างๆที่ผู้อื่นไม่สามารถเห็นได้แต่สิ่งต่างๆที่เห็นได้ในทางสมาธินั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่จะดับกิเลสไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์แต่กลับจะทำให้เกิดกิเลสตัณหาพอกูนเพิ่มมากขึ้นไปอีกจนกระทั่งทำให้ตนเองนั้น หลงตนเองคิดว่าเป็นผู้วิเศษเช่นพระเทวทัตเป็นต้นที่ได้โลกิยาฌานได้สมาธิได้ริษเดก็เลยคิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ประเสริฐถึงกับกล้าขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าขอปกครองสงแทนพระพุทธเจ้า เนื่องจากเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นชราภาพไม่ไม่สามารถที่จะปกครองสงฆ์ได้แล้วตนเองจึงอาสาสมัครขอเป็นผู้ปกครองแทนเพราะคิดว่าตนเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะปกครองสงฆ์ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธทรงตรัสว่าแม้แต่ภาษาไรบุตร ซึ่งเป็นอัครสาวกเป็นผู้เป็นพระอารหันต์เป็นผู้ดับกิเลสได้หมดแล้วและพระโมคคัลลานะผู้เป็นพระอารหันต์และเป็นผู้ที่มีเล่นมากกว่าผู้อื่นพระองค์ยังไม่ได้สมมอบหมายให้เป็นผู้ปกครองแทนพระองค์เลยแล้วเทวทัตเป็นใครมาจากไหนยังไม่ได้บรรลุแม้แต่ขั้น พระ อ, อริยะ ข, ขั้นแรกคือขั้นโสดาบันพอได้ตัดอย่างนั้นแล้วก็สร้างความโกรธความเครียดแค้นให้แก่พระเทวทัตเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับพยายามโปรงพระชนพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันแต่ก็ไม่สำเร็จแล้วในที่สุดก็ต้องตรอมใจตาย ก่อนจะตายก็ไปกราบขอขมาลาโทษก่อนที่จะถูกแผ่นดินสูบลงไปนี่คือการไม่ระมัดระวงังการที่มีความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่อยากจะเป็นสาวกไม่อยากจะเป็นลูกศิษย์เพราะหลงตนเองคิดว่าตนนั้นมีความรู้ มีวิชาที่เชี่ยวชาญสามารถปกครองสั่งสอนผู้อื่นได้แต่หารู้ไม่ว่าเป็นความรู้ระดับโลกีะไม่ใช่เป็นความรู้ระดับโลกุตระเป็นไม่ใช่เป็นความรู้ที่ทำให้ตนหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆแต่กลับกลายเป็นเครื่องมือ ของความโลภความโกรธความหลงมาทำลายตนและผู้อื่นดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วก็ขอให้อย่าเพิ่งรีบร้อนสั่งสอนยังมีเวลาอีกมากมายขอให้เร่งปฏิบัติไปอีกไม่นานก็จะสามารถบรรลุ ถึงพระนิพพานได้ในในตำร า, าก็ทรงแสดงว่าไม่เกินเจดปีถ้าสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสังส่งสอนได้ก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้บรรลุพระนิพพา น, านได้ดังนั้นถ้ายังได้เพียงแค่สมาธิยังไม่ได้เจริญปัญญายังไม่เห็นอริยสัจสี่ภายในใจ ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนไปสั่งสอนผู้อื่นขอให้พยายามเล่นความเพียรของตนจเจริญปัญญาให้มากพิจารณาตายรักให้มากพิจารณาอาสุภะให้มากพิจารณาความตายให้มากเพื่อที่จะได้ดับกิเลสตัณหาต่างๆที่ยังมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปก่อน เมื่อไม่มีกิเลสทันหาหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วก็เป็นเวลาที่ดีที่จะสามารถอบรมสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้เพราะจะสั่งสอนด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์คือไม่มีความโลภความอยากได้สิ่งตอบแทนจากผู้ที่มาศึกษามาร่ำเรียนเพราะไม่มีความโลภไม่มีความอยากได้อะไร ถ้ายังไม่หมดกิเลสแล้วไปสั่งสอนกิเลสก็จะเป็นตัวที่จะบัญชาเป็นการเป็นตัวสั่งการให้สั่งสอนเพื่อหวังผลตอบแทนหวังอาวุธลาบสการะต่างๆหวังได้ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆแล้วการปฏิบัติก็จะเป็นการถอยหลังเป็นการ ทำลายตนเองและจะไม่มีวันที่จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิ่ผ่านได้เพราะถูกกิเลสหลอกให้คิดว่าตนนั้นมีความรู้มีความสามารถแล้วสามารถสอนผู้อื่นได้แต่ไม่สามารถสอนตนเองได้ ไม่สามารถสอนให้ละความโลภความโกรธความหลงได้นี่ก็คือสิ่งที่มักจะปรากฏขึ้นในวงของพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตหรือครหัพมักจะมีผู้อยากจะสอนมากกว่าจะอยากจะศึกษากันพอศึกษาปฏิบัติได้อะไรบางอย่างแล้ว ก็ตั้งตนเป็นอาจารย์ตั้งตนเป็นครูขึ้นมาเพราะจะได้มีผู้มากราบไหวมาถวายลาบสักการะต่างๆนั่นเองนี่ไม่ใช่เป้าหมายหรือผลที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พุทธศาสนิกชนพุทธบอยรสัตว์ทั้งสี่เราพุ่งเป้าไปไม่ได้ให้มาบวชไม่ให้มาปฏิบัติไม่ให้มาศึกษา เพื่อลาาส ก, การเพื่อยศถาบรรดาศักด์แต่ให้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. เพราะชาตินี้เป็นชาติที่มงคลที่สุดหรือดีที่สุดเนื่องจากมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำทาง แล้วก็มีชีวิตของมนุษย์เป็นผู้ที่มีความสามารถรับคำสอนไปปฏิบัติได้ถ้าเกิดเป็นเป็นอย่างอื่นเช่นเป็นเดรัจฉานเป็นสุนัขมาอยู่อาศัยอยู่วัดก็จะได้เพียงแต่อาหารเศษอาหารที่เหลือไปรับประทานเท่านั้นแต่จะไม่สามารถนำเอาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้า ไปศึกษาไปปฏิบัติได้เพราะไม่มีไม่อยู่ในวิสัยของเดรัจฉานเช่นสุนัขที่จะทาได้นั่นเองต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นถึงจะสามารถน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้แต่ถ้าได้มาเป็นมนุษย์แล้วกลับไม่สนใจน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติประโยชน์ก็จะไม่ได้รับเช่นเดียวกับ พวกเดรัชฉานจะได้รับก็เพียงแต่การมาอาศัยวัดเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์หนึ่งเท่านั้นเองแต่จะไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงก็คือดวงตาเห็นธรรมการหลุดพ้นจากทุกข์ต่างๆการหลุดพ้นจากการเรียนว่าตายเกิดถ้าต้องการผลเหล่านี้ ผลที่ดีเหล่านี้คือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องพยายามปฏิบัติที่ธรรมะที่พทธเจ้าทรงสอนสามประการด้วยกันคือทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์นี่จะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติ ได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐให้เป็นผู้ที่น่าเคารพกับาวว่าบูชาไม่มีวันไม่มีวันเจือจางแม้เวลาจะผ่านไปยาวนานสักเพียงใดก็ตามความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าในพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายก็ยังมีอยู่ภายในใจของพุทธศาสนิกชนเพราะท่านเป็นผู้ประเสริฐ ท่านเป็นผู้ที่ปราศ จ, จากการกระทำที่ไม่สวยงาม น, นั่นเองท่านเป็นมีเป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์การกระทำของท่านนั้นทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยถ่ายเดียวไม่เคยคิดหวังผลตอบแทนจากผู้อื่นเลยนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนา ที่สอนให้พุทธศาสนิกชนศึกษาปฏิบัติและบรรลุหลังจากนั้นแล้วค่อยเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปตาบรมศาสดาของพวกเราทรงทาเป็นตัวอย่างคือตั้งแต่ที่ทรงออกผนวดและศึกษากับอาจารย์ตามสำนักต่างๆและปฏิบัติตามลำพัง อยู่ถึงหปีจนกว่าจะได้ตัดสรุก่อนหน้านั้นไม่เคยไปสั่งสอนใครเลยไม่เคยคิดอยากจะเป็นครูอยากจะเป็นอาจารย์ของผู้ใดแม้แต่หลังจากที่ได้ทรงตัดสรุเป็นพระอาหารหันตะสัส ม, มาสัมพุทธเจ้าแล้วในเบื้องต้นก็ยังมีความรู้สึกท้อพระทยัยไม่อยากที่จะสั่งสอนใคร พาอทรงเห็นว่าสิ่งที่จะต้องสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นนี้เป็นสิ่งที่ยากลำบากมากสำหรับมนุษย์ปุตุชนทั่วๆไปจะรับไปปฏิบัติได้เพราะเนื่องจากสอนให้เขาละสิ่งที่เขามีความผูกพันมีความรักอยู่มากนั่นเองก็คือความโลภความโกรธความหลงต่างๆ รักตัวตนความรักตัวตนความรักสมบัติเข้าของเงินทองเป็นความหลงทั้งนั้นไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่จะผูกจิตให้ติดอยู่กับกองทุกข์ไม่รู้ว่าการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั้นจะต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนรักไปสละ ทรัพ ส, สมบัติข้าวของเงินทองสละครอบครัวสละบุคคลต่างๆสละความสุขความสบายทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสำหรับปุถุชนทั่วๆไปจะสามารถปฏิบัติตามได้จึงทรงมีความท้อพระทยัยไม่คิดที่อยากจะสั่งสอนใคร นี่แหละคือใจของผู้ที่รู้จริงเห็นจริงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยากจะปฏิบัติไม่ยัดไม่ได้อยากที่จะสั่งสอนใครเลยแต่หลังจากที่ได้ทรงมีเวลาพิจารณาและเนื่องจากความกรุณาสงสารที่มีต่อสามโลกจึงทำให้พระองค์เกิดความ ฉันทะคือความยินดีความพอใจที่จะสั่งสอนผู้อื่แต่ทรงพิจรนาว่าต้องสั่งสอนบุคคลที่สามารถรับได้อย่างรวดเร็วก่อนทรงมุ่งไปสู่นักบวชทั้งหลายเพราะเขาได้ปฏิบัติมาครึ่งทางแล้วคือเขาได้สละ ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองสละบริสัทธ์บริวาสรสละความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วและได้มารักษาศีลและทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้แล้วเพียงแต่ขาดปัญญาคือการเห็นพระอริยสัจสี่ การเห็นไตรลักษณ์ในใจของตนเท่านั้นพอพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องพระอริยสัจสี่ว่ามีอยู่ภายในใจถ้าใจที่มีความสงบมีสมาธิมองเข้าไปก็จะเห็นทันทีว่าความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆนี้ไม่ได้เกิดจากใครเลยไม่ได้ไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆ หรือบุคคลต่างๆแต่เกิดจากความอยากความไม่พอใจของตนเองมีอะไรก็ไม่พอใจก็มีความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วหรือมีอะไรแล้วอยากจะให้เป็นเหมือนเดิมก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่เป็นเหมือนเดิมไปตลอดเวลาทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ทุกอย่างต้องมีเกิดและดับไปเป็นธรรมดาพอมีความอยากที่จะให้เป็นอย่างอื่นเช่นอยากไม่ให้เปลี่ยนแปลงอยากไม่ให้ดับก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาชี้บอกจุดของความทุกข์และ จุดที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาสัตว์โลกทั้งหลายจะไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยเพราะจะถูกความหลงหรือกิเลสอวิชชาโมหะนีหลอกให้ออกไปดูภายนอกอยู่ตลอดเวลาเวลาไม่สบายใจกับเรื่องอะไรก็ไปโทษว่าเรื่องนั้นเป็นปัญหาก็ต้องพยายามไปแก้เรื่องนั้นเวลา ใครทำอะไรไม่พอใจก็พยายามที่จะไปแก้ให้เขาทําให้เราพอใจทั้งๆ ท, งที่ความจริงมันเกิดจากใจของเราที่ไม่ไปพอใจกับการกระทําของเขาต่างหากถ้าเราทําใจให้พอใจปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นคือถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ความไม่สบายใจหรือความทุกข์ใจต่างๆก็จะไม่มีภายในใจของเรานี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เป็นเพียงผู้เดียวเป็นผู้รู้คนแรกที่รู้เห็นพระอริย ส, สัจสีเห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากและเห็นว่าถ้าอยากจะดับความทุกนี้ก็ต้องตัดความอยาก จะตัดความอยากได้ก็ต้องมีจิตใจที่สงบเพราะเมื่อมีจิตใจที่สงบก็จะเห็นว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากภายในใจของตนเองพอเห็นปั๊บก็สามารถดับได้ทันทีเลยพอรู้ว่านี่คือต้นเหตุก็ตัดความอยากไปเลยเช่นอยากจะสูดบุหรี่พอรู้ว่ามันเกิดจากความอยากความทุกข์เกิดจากความอยาก ก็หยุดสูบไปเลยพอหยุดสูบแล้วก็หายทุกจากเรื่องการอยากจะสูบรล่อยากจะดื่มสุราก็เช่นเดียวกันอยากจะไปเที่ยวก็เช่นเดียวกันอยากจะไปทำอะไรก็ตามก็เช่นเดียวกันถ้าหยุดความอยากแล้วความทุกข์ที่จะเกิดตามมาก็จะไม่มีเลยนี่แหละคือ ความวิเศษของพระพุทธเจ้าที่สามารถเห็นความทุกข์และต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ได้ว่าไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกแต่อยู่ที่ข้างในใจอยู่ที่ความอยากที่เกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขของตนนั้นอยู่ที่การไม่อยากนี้เอง พอไม่อยากแล้วจิตก็จะสงบมีความสุขจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระสาวกทั้งหลายท่านมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านสามารถควบคุมไม่ให้มีความอยากเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั่นเองต่างกับพวกเราที่มักจะมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับความอยากต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้นั่นเองนี่คือเรื่องของการศึกษาพราธรรมคำสอนเพื่อที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้พอดับได้หมดแล้วทีนี้จะไปสอนใครก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปจะสอนได้จนถึงวันตายเลย ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทาเป็นตัวอย่างหลังจากที่ทรงตัดสรู้แล้วสงเดือนหลังจากนั้นก็ทรงประกาศพระาศาสนาสั่งสอนให้แก่าศาสโลกจนถึงวาระสุดท้ายตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันไม่ได้ทรงทากิจอย่างอื่นเลยมีแต่จะสอนผู้อื่นดังที่ได้ทรงปฏิบัติใน พุทธกิจห้าประการคือในตอนบ่ายก็สอนสัตายาติโยในตอนค่ำก็สั่งสอนภิกสุสัมมเนนในตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาในตอนเช้ามืดก่อนจะออกบินทบาทก็ทรงเล็นยานว่าจะไปสั่งสอนใครดีใครที่พร้อมที่จะรับคำสอนได้ในวันนั้นก็จะมุ่งไปสอนแก่บุคคลนั้น หลังจากที่ทรงออกไปบินถบาดแล้วนี่คือพุทธกิจห้าประการด้วยกันซึ่งทรงสือการสั่งสอนนี้เป็นกิจที่สำคัญที่สุดเท่าๆกับการบินถบาทเลี้ยงชีพของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ทำเพียงเท่านี้ไม่ได้แสวงหาราบสักการะจากใครเพราะทรงมีมากกว่าที่ใครจะสามารถให้พระ อ, องค์ได้แล้วนั่นก็คือปรมังสุขขัง คือพระนิพพานที่มีอยู่ในใจของพระองค์นั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญในวันพระของคนทั้งสองยุคคือคนยุคเก่าและคนยุคใหม่ขอให้ยึดถือการมาวัดเพื่อมาทำตนให้เป็นพระนี้เป็นกิจที่สำคัญที่พึงกระทําไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ แล้วรับรองได้ว่าความสุขและความเจริญก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะน้อยลงไปตามลำดับและหมดสิ้นไปได้ในที่สุดอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณภาษีรัตนไตรและบุญกุศล